คนที่คุณเกลียดคนที่คุณแค้นคนที่คุณเจ็บใจเป็นเป้าฝึกจิตที่ดีที่สุดเพื่อความพ้นทุกพ้นเวรพน้นภัยเมื่อตัวเราเข้าไปผูกเป็นปมอยู่กับคนอื่นทุกคนอยากคลายปมออกทันทีทันใดกันทั้งนั้นแต่สิ่งที่เกือบทุกคนทํากันก็คือมัดปมให้แน่นยิ่งขึ้นไปอีกเพียงระลึกว่า ไม่มีใครเป็นเป้าฝึกจิตได้เหมาะเท่ากับคนที่คุณเกลียดคนที่คุณเกลียดจะไม่น่ารังเกียจอีกต่อไปตาต่อต า, ตาฟันต่อฟันจัดเป็นวิธีแก้ปมเก่าเพื่อสร้างปมใหม่แก้ทุกข์ให้ตัวเองด้วยการสร้างทุกข์ให้คนอื่นโดนมาอย่างไรก็เล่นงานกลับไปอย่างนั้นด่ามาด่ากลับเตะมาเตะกลับ หรือโดนใครหักอกเจ็บใจถ้าไม่มีดีพอจะทำให้เจ็บใจคืนก็คิดทำให้เขาเจ็บตัวกลับอย่างสาสมผูกเวรกันไปจองเวนกันมาหาที่สุดไม่เจอธรรมดาคนเราจะไม่คิดฝึกจิตถ้ามองอย่างเป็นเรื่องฝึกจิตความรู้สึกทั้งหมดจะพลิกกลับเมื่อใครบางคนกลายเป็นที่ตั้งของการฝึกหัดความตั้งใจนั้น จะช่วยให้มองย้อนเข้ามาที่ตัวรู้สึกเข้ามาที่ใจรู้จักเทียบวัดเห็นจิตของตัวเองดีขึ้นหรือแย่ลงได้ยังไม่เคยเป็นมาก่อนวิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้สึกดีขึ้นทันทีคือมองคนที่คุณเกลียดเป็นเรื่องฝึกจิตฝึกจิตไม่ใช่การฝืนใจไม่ใช่การข่มใจไม่ใช่การพยายามไปทารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่ถูกกับเราการฝึกจิตแบบพุทธมีบันไดให้ปล่อยวางเป็นขั้นๆรู้ว่าปล่อยจริงด้วยการใช้ใจเป็นเครื่องชี้วัดที่พระพุทธเจ้าประธานแนวทางไว้คือเมื่อใดที่รู้ตัวว่าเกิดความพยาบาทคิดถึงใครบางคนแล้วเจ็บใจอยากแก้แค้นให้พิจารณาว่าสภาพดังนั้นคือโรคเรื้อรังทางใจ ถ้าหายจากโรคร้ายได้คงจะดีเมื่อเกิดสติคิดได้เช่นนั้นบ่อยๆณจุดเกิดทุกข์ทางใจก็ย่อมมีแกะใจอยากทิ้งความห่วงทุกข์อยากทิ้งพยาบาทและนั่นเองคืออาการของอภัยถ้าเห็นอาการหงุดหงิดงุนง่านอยากแก้แค้นเอาคืนเป็นความป่วยทางจิตชนิดหนึ่งแล้วละอาการป่วยเสียได้เป็นสุขกับจิตที่หายป่วยได้ ไม่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องเป็นฝ่ายถูกกระทาให้ช้าใจคิดแต่เรื่องใหญ่คือใจไม่ทําร้ายตัวเองซ้ำอันนั้นถือเป็นการปล่อยวางเต็มขั้นในระดับอภัยทานคนอื่นเป็นแค่เครื่องล่อให้คุณทําตัวเองเป็นขาวหรือเป็นดําเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่มีใครเป็นเป้าฝึกจิตได้เหมาะเท่ากับคนที่คุณเกลียด